คือทรงล่วงเสียแล้วซึ่งทุกในนรกทรงอยู่ด้วยความเพียรทรงมีวิริยะมีประทานทรงแกล้ า, ลาเป็นผู้คงที่ท่านกล่าวว่ามีพระหฤทยัยเป็นไปอย่างนั้ น, น, นคือมีใจเว้นจากบาปเป็นผู้ที่ล่วงทุกในอบายทุกชนิดเป็นผู้มีความเพียรมั่นคงที่ในอารมณ์ทั้งปวง คําว่ากามก็คือวัตถุกามกับกิเลสกามเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงกําหนดรู้วัตถุกามด้วยยาตะปริญญาตีรณปริญญาทรงละกิเลสกามด้วยปหานะปริญญาคือเพราะทรงกําหนดรู้วัตถุกามเพราะทรงละกิเลสกามแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงใคร่กามวัตถุกามทุกชนิดนะพระองค์เอามาทําปริญญารอบรู้ทั้งยาตะปริญญาและตีรณปริญญาหมดแล้วีีน้ฉันทราคาในวัตถุกามทั้งหมดเนี่ย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 สํารอกแล้วปล่อยแล้วละแล้วสละคืนแล้วปราศจากราคะมีราคาหายไปแล้วมีราคาอันทรงสละแล้วสํารอกแล้วปล่อยแล้วสละคืนแล้วทรงหายหิวแล้วดับแย้เย็นแล้วต่างจากปุถุชนใช่ไหมมันนึกหิวไปเรื่อยๆเรืยๆรื่อยๆอยากไปเรื่อยนะพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์อิ่มแล้วนะเรียกว่าเป็นผู้หายหิวเนี่ยนะเป็นผู้เสวยสุขมีพระองค์อันประเสริฐคือเหมือนเสวยตนมีความสุขเหมือนพรมู่ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าข้าพระองค์ได้ฟังแล้วว่าพระองค์ไม่มีความไข่ในการมเรีว่าเป็นผู้ตัดฉั้นธราคะในวัดกิเลสกรรมทุกชนิดเพราะรอบรู้วัตถุ ก, การมเนี่ยนะคำว่าผู้ล่วงพ้นห่วงกิเลสแล้วคือผู้ล่วงพ้นห่วงกิเลสผู้ก้าล่วงเก้าล่วงพร้อมเป็นไปล่วงซึ่งห่วงกิเลส คำว่าจึงมาเพื่อจะทูลถามเนี่ยนะสอบถามทูลวิงวอนเชื่อเชิญทูลให้ประสาทคำว่าจึงมาคือพระองค์ผู้ไม่มีกามความว่าข้าพระองค์มาคือเข้ามาเข้ามาถึงพร้อมเนี่ยนะถึงพร้อมสมาคมกับพระองค์ก็เพื่อจะทูลถามปัญหาพระองค์ผู้ไม่มีกามพระองค์ผู้ออกแล้วจากกามสละแล้วจากกามสัมรอกจากกามปล่อยกาละกาสละคืนกา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 คือความสละคืนสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเนี่ยคำว่าสันติบทนี้เป็นชื่อของพระนิพพานโดยอาการอีกอย่างหนึ่งธรรมะเหล่าใดย่อมเป็นไปเพื่อบรรลุความสงบนะหมายถึงตัวธรรมะที่เป็นไปเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อถูกต้องความสงบคือนิพพานเพื่อทาให้แจ้งนิพพาน ธรรมะเหล่านั้นก็คือสติประธานสี่สัมมาประธานสี่อิทิบาทสี่อินทรียห้าพละหา้าโพชงเจ็ดอริยมรคมีองค์แปดธรรมะเหล่านี้ก็ชื่อว่าสันติบทที่ชื่อว่าสันติบทเพราะว่าเป็นบทที่ทําให้ถึงพระนิพพานคําว่าพระองค์ผู้มีดวงตานะตาของพระพุทธเจ้าก็คือสัพพัญยุตยานท่านกล่าวว่ายานเป็นดังดวงตา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 ความคลายกำหนัดความดับความออกจากตันหาเป็นเครื่อง ร, ร้อยรัดเชื่อว่ายะถาตัดฉังข้ลขอให้พระองค์เนี่ยบอกยะถาตัดฉังคือพระนิพพานอันนี้ด้วยเถอะสรว่ า, ข, าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกลา้าข้าพระองค์ได้ฟังมาแล้วว่าพระองค์เนี่ยไม่มีความใคร่ในกามล่วงพ้นห่วงกิเลสคือโอฆาเป็นต้นได้แล้ว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 มุนชูไปปฏิบัติที่ไหนบอกอาจารย์ทํายังไงผมจะ น, นิพานอขอนิ้พานอย่างเนี้วนะดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีเดช น, น, นะนะเขาก็ชมต่อไปว่าพระองค์เนี่ยทรงมีเดชพระองค์เนี่ยทรงประกอบด้วยเดช ท, ทรงครอบงำกามทั้งหลายแล้วดําเนินไปเหมือนพระอาทิตย์อันมีแสงสว่างประกอบด้วยเดชย่อมส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพีขอพระองค์ผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดิน โปรตรัสบอกธรรมะเครื่องละชาติและชาลในภพนี้ที่ข้าพระองค์ได้ทราบแล้วข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยเถิด น, นะนะขอให้พระองค์บอกแกข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยแปลว่าขอบรรลุชาตินี้ด้วยนะขอให้พระองค์บอกนี้พ่านแล้วต้องบรรลุชาตินี้ด้วยแต่จะว่าให้ตรงบอขอบรรลุตรงนี้ด้วยเท่า น, น, นะัน้นคนถามสมัยก่อนนะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจา้านี่หมดสิทธิ์เลยนะสิทธิ์เลย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 พูดถึงดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างแก่โลกเนี่ยนะไอร้รังสีรัศมีของดวงอาทิตย์น่แหละส่องให้สว่างฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีเดชคือพระยานประกอบด้วยเดชคือพระยานทรงกำจัดแล้วสมุทัยแห่งอักกุสลาพิสังขารทั้งปวงความมืดคือกิเลสอันธการคืออวิชชา ทรงแสดงแสงสว่างคือยานทรงกำหนดรู้ซึ่งวัตถุกรามทรงละทรงครอบงาทรงปกคลุมทรงท่วมทับทรงกำจัดย่ำยีซึ่งกิเลสกรามเสด็จเที่ยวไปดำเนินไปรักษาบำรุงเยียวยาเหมือนฉันนั้ น, น, นดวงอาทิตย์ทรงสว่า ง, างนนะด้วยอนานาจรัศมีเนี่ยนะกำจัดความมืดในแผ่นปัตตพีชั้นใดพระยานของพระองค์ก็เหมือนกันกาจัดความมืดเขือวิชาในในอารมณ์ทั้งปวงนะั่นนะ กำหนดรู้วัตถุกรามและกิเลสกรรมที่ยวไปข้าข้าพระองค์เนี่ยมีปัญญาน้อยคือมีปัญญาต่ำสามมีปัญญาต่ามีปัญญาสามส่วนพระองค์นี่มีปัญญาใหญ่มีพระปัญญามากมีพระปัญญาร่าเริงมีพระปัญญาเล่นมีพระปัญญากล้าแข็งมีพระปัญญาทาลายกิเลสคาว่าปัทพีเนี่ยนะคาว่าภูริก็เป็นชื่อของปัทพี พระองค์เนี่ยทรงประกอบด้วยปัญญาอันไพ่บูร์กว้างขวางเสมอด้วยแผ่นดิน น, นะเห็นแผ่นดินเมื่อไรนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เลยว่าพระองค์เนี่ยมีปัญญากว้างขวางเสมอแผน่นดินไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมก็คือโปรดตรัสบอกพรหมจรรย์นะนะคอโดยเฉพาะอริย ม, มรรคพรหมจรรย์ที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดงามในเบื้องต้นก็เหมาะกับอุคติตันยูงามในท่ามกลางก็เหมาะกับวิปัญจิตันยูงามในที่สุดก็เหมาะกับ ในยะบุคคลน่นะธรรมะที่พระองค์สอนนี่ก็พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเหล่านั้นก็คือสติประทานสี่สัมมัปปธาน4อิทธิบาทสี่อิน 4, รี่ห้พละหโพชองเจอริยมรรคมีองค์8พระนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์ตรัสบอกธรรมะเหล่านี้ด้วยเถอ ที่ข่าพระองค์ได้ทราบแล้วนะพระองค์บอกธรรมะที่ข่าพระองค์เนี่ยพึงรู้คือพึงรู้แจ้งพึงรู้เฉพาะพึงแทงตลอดพึงบรรลุพึงถูกต้องพึงทํำให้แจ้งธรรมะนั้นนะนะที่เป็นเครื่องละชาติและชาราลในภพนี้ความว่าเป็นเครื่องละเครื่องสงบสละคืนเครื่องระงับซึ่งชาติชารามรณะในภพนี้แลธรรมะนั้นก็คืออมาตะนิพานขอให้พระองค์บอกนิพานที่ละความเกิดและความแก่กต่อไป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 ในพบนี้ที่ข้าพระองค์พึงทราบได้แก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาโน้ยเถิดให้บอกให้เหมาะให้ตรงอัจริยาศายเลยเหมือกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูก่อนชะุกันนี้ท่านเห็นแล้วซึ่งเนคข ม, มะโดยความกเกษมจงกำจัดความมืดในกามทั้งหลายเสียกิเลสเครื่องกังวลที่ท่านยึดไว้ควรสลัดเสียอย่าได้มีแก่ท่านให้เห็นเนขมะเนี่ยนะ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 ฟังแล้วอืมใช่แต่ว่าทาํอยากแต่จริงๆ น, น, นะท่านชตุ ก, กันนี้ท่านทําได้